ทุกรูปทุกน้ำนะตั้งใจให้ดีสัมมณีน้อยก็ดีให้ตั้งใจสัมรวมใจให้ดีออาอ่อันเคยนั่งสมาธิ <c oughs> พุกเป่ากันนั่งสมาธิเลยอ๋อนั่งเข้าไปเอ่าอ๋อนั่งสมาธิเข้าไปนั่นแหละ เราเกิดมาในโลกนี้ให้คิดว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบา ร, รมีเพื่อให้บุญบา ร, รมีช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารไม่มีสิ่งใดจะมาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ไปได้มีแต่บุญกุศลเท่านั้นแหละขอให้เข้าใจ สิ่งอื่นไม่มีทางที่จะช่วยได้เทวดาอินพรอมยมยักษ์อะไรผู้มีฤทธิ์มีเดชไรในโลกนี้ก็ช่วยให้ใครต่อใครพ้นทุกข์ไม่ได้เลยให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พึ่งตนเองช่วยตัวเองฝึกตัวเอง เพื่อจะได้ที่พึ่งอันดีงา ม, มเหตุที่ได้ฝึกตัวเองก็เพราะเหตุว่าตนเองยังมีกิเลสลบวนจิตใจให้จิตใจเลื่อนลอยอยู่เหตุที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี้ก็เพราะกิเลสมันเผาร้นเอานี่แหละ ดังนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้ฝึกตนฝึกใจให้เข้มแข็งเมื่อใจเข้มแข็งแล้วก็จะต่อสู้กับกิเลสได้เป็นอย่างนั้นถ้าใจอ่อนแอแล้วต่อสู้กับกิเลสไม่ได้อย่างเช่นมาอยู่วัดกันอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มาอยู่วัดนี่มันก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของวัดนี่ ก็ต้องโกลผมต้องนุ่งขาวต้องสมทานศีลแปดต้องทำข้อวัดปฏิบัติเหมือนภิกษุสามเณรต้องเป็นผู้ลดละทิฏฐิมานะลงไม่ถือเนื้อถือตัวเคารพนอบน้อมต่อภิกษุต่อสามเณร ฝึกตนเนี่ยคำคำว่าฝึกตนเป็นอย่างนี้เนี่ยทาให้ตนนั้นเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างกระเดืองถ้าไม่ได้เขวัตเขาวาอย่างนี้มันทําตนให้อ่อนโยนยากนะอันเนี่ยคนเราส่วนมากมีแต่แข็งกระด้างคนแข็งกระด้างแล้วมันเข้าวัดไม่ได้จะมาฝึกพ้นตนอย่างนี้ก็ไม่ได้ เพราะว่าสิ่งใดที่มันไม่ชอบใจแล้วมันไม่ยอมทำอ่อคนแข็งกระด้งางเป็นงันแน่นอนแหละการมาอยู่วัดรักษาสิ้นแปดอย่างนี้โดยเฉพาะก็เรื่องอาหารการกินนี่นะเคยกินวันละสองครั้งสามครั้งไม่ไม่ได้กินวันนี้มาอยู่วัดอยู่วาแล้วต้องกิน คาบเดียว อ, อย่างนี้แหละถ้าหากว่าคนมีสธิมานะไม่ได้อเราจะมาอดเอาวิมานอะไรอยู่นี่ อ, อย่างนี้นะได้อยู่บ้านเราดีกว่าได้อยู่ได้กินสบายวันละสองคาบสามคาบก็ได้อืมผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วมันก็หนีออกจา ก, กวัดไปเลยออเนะั้น แล้วก็ธรรมดาเป็นเครือข่ายนะอะก็ต้องเที่ยวได้ตามชอบใจไปเที่ยวดูหนังดูละครดูมหัศจรรย์ต่างๆนานาลําที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั้นดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นเหล่านี้นะอันเป็นเครหัส่ายนี่ มักจะเหอไปตามทำโฆษณาของคนในเรื่องสนุกสนานมันไปนอย่างานั้นเหมือนกนะันอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดได้ถอนตัวจากเกระดัเข้ามาอยู่วัดอยู่ว่าแม้ยังไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนนแต่เพียงนุ่งขาวห่มขาวคนผมและรักษาชิ้นแปดแล้วมีข้อว่าิปฏิบัติ อยู่ในวัดไตวาได้นี่ก็นับว่ามีบุญพอได้นะฮะเนี่ยขอให้เข้าใจบุญมากสมควรจึงทำได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีบุญมากพอสมควรเราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้นี่ก็ควรภาคภูมิใจอไอความหอยหิวต่างๆนานานะความ ที่ไม่ตนไม่ได้เปิดเพลินมัวมอไปตามกิเลสอันนั้นตนก็สละมันลงไปจึงอยู่ได้อย่างนี้ก็ให้ภูมิใจว่าเราเอาชนะกิเลสในขั้นหนึ่งไปแล้วในระดับหนึ่งไปแล้วซึ่งคนส่วนมากนั้นเอาชนะไม่ได้อืแต่เราเอาชนะมันได้ในระดับหนึ่งมาแล้ว อย่างนี้นะก็ควรภาคภูมิใจความเป็นผู้ที่มองเห็นความเสียสละของตนในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆแล้วพื่ม อ, อกพึ่บใจอย่างนี้ดีมากเลเดียวดีมันจะได้เป็นกำลังใจเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วมันก็จะได้เพิกตน อบรมตนทรมานตนอย่าให้กิเลสมันครอบงาจิตใจได้โดยอาศัยที่เราได้ฝึกตนแต่เวลานุ่งขาวห่วมขาวอยู่นี่นะได้เห็นผลในการฝึกพอสมควรเป็นเรียกว่าเป็นทุนพอเป็นทุนได้ได้บวช ได้บวชมาแล้วเราก็อาศัยทุนเดิมอันนี้แหละเป็นกําลังใจเพกตอนต่อไปเรื่อยๆอเพ่งงานถ้าจะพูดอีกในหนึ่งแล้วการเป็นนักบวชนี่นะเหมือนกับภายเรือทวนกระแสน้ําขึ้นไปเหนือน้ำนั่นแหละมันต้องได้ออกแรงเต็มที่เรือมันจึงจะไหลทวนกระแสน้ําขึ้นไปเบื้องเหนือได้ ถ้าหาว่ากำลังบกแข็งแรงเพียงพอกำลังอ่อนแอเช่นนี้แล้วย่อมขายเรือทวนกระแสน้ำไปไม่ได้เลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละคำว่าเรือได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้แหละคำว่าน้ำได้แ ก, ก่กิเลสกิเลสในท่านเปียบเหมือนอย่าง ห่วงน้ําเมื่อ น, น้ําฝนตกมากน้ํามันไหลหลากท่วมบ้านท่วมเรือนท่วมนาคนเสียหายยับเยินนะกิเลสก็เหมือนกันอย่างนั้นนะท่วมท้นจิตใจผู้ใดจิตใจผู้นั้นก็เสียผู้เสียคนไปใจไม่ตั้งมั่นใจเลื่อนลอยทําไปสัปเพเหละไปทั่ว ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเมื่อจิตใจมันเลื่อนลอยแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่เบืองมาน่ะมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเหมือนอย่างพ่วงน้ําใหญ่ที่ว่านั่นแหละมันพัดพาเอาบ้านเรือนพังพินาศลงไปดังนั้นน่ะเราผู้ที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงาจิตใจอยู่นี่ เราก็พยายามสร้างทำนบกัน้นน้ำให้มันดีๆทำนบนั่นได้แก่สติสัมปชัญญะมีสติคอยควบคุมกายวาจาใจเสมอเสมอไปไม่ให้มันออกนอกรูนอกทางไม่ให้มันผิดศีลในขั้นต้นนี่นะศีลนี่เราสำคัญมากทีเดียว ถ้าผู้ใดใฝ่ใจเรื่องศีลสำรวมกายวาจาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลที่ตนสมทานแล้วได้ไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างให้พาออย่างนี้โอ้มันก็เป็นพื้นฐานของบุญกุศลเนี่ยเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วทำบุญทำทานก็ได้บุญหลเป็นอย่งั้นไหวพระนั่งสมาธิภาวนา ใจก็สงบลงได้เป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีบาปมารบกวนเี่นไไอ้ธรรมดาจิตนี่นะถ้ามันมีบาปอยู่อย่างนี้เวลาไม่คิดว่าจะละมันนี่มันยังไม่ลบกวนใจให้รุนแรงเท่าไหร่นะพอตั้งใจภาวนาตั้งสติสำรุมจิตเข้าไป เท่งจิตอันคือความรู้สึกันนี้ฮมันแน่วแน่ลงไปมันสงบลงไปเนะี่ะกิเลสอันมันนอนเนื่องอยู่ด้านนะ่ะมันไม่ยอมไม่สมาธิไปทับมันมันกดดิ้นอ่นั่นแหละมันกดดิ้นสกัดกั้นสมาธิสกัดกั้นจิตไม่ให้รวมลงให้จิตถอนขึ้นมารับอารมณ์ต่างๆภายนอก นี่แหละจิตนี่ไหนมันมีค่าศึกคือกิเลสบาปธรรมนี่คอยลังควานอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าปล่อยตกเป็นทาตของมันไปแล้วแต่มันกระชิบเรือมันจูงให้คิดไปยังไงก็คิดไปตามมันคิดไปแล้วมันก็บัญชาให้ทําอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้อันเป็นทางไม่ดี ก็ทำตามมันไปอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาตันหาืาผู้เช่นนั้นหละจะทำคุณงามความดีไม่ได้ถ้าไม่ขจัดกิเลส ต, ตันหาอันหยาบๆมันนั้นให้เบาบางลงเสียก่อนอย่างน้ดังนั้น พระพุทธเจ้ายังสอนให้สมรวมในสินรักษาสินให้บริสุทธิ์เช่นอย่างว่าไม่ไม่โกรธไม่โมโหโธโซในการจากทุบตีสัตว์ให้ตายบ่หรือว่าเบียดเบียนให้มันเจ็บปวดอะไรอย่างนี้นะไม่มีแก่ใจเลยมีสัมเมตตาอยู่ในใจเช่นนี้แล้วมันก็ ไม่ได้ทำบาปเพราะภาวนาที่บาปนะั่นแหละมันสงสารทั้งตนและทั้งบุคคลอื่นตัดอื่นนี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่หยิบไม่ช่วยไม่รักเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเพราะสงสารเจ้าของเขาถ้าเราเอาไปแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เขาก็เดือดร้อนอเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ประพฤติผิด มิจฉาจารกรรมทาชู้กับสามีกับภรรยาคนอื่นหรือว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ไม่ไปพูดมายาสาไถกับเพศกงกันข้ามสํารวมกายว่าจางจนให้เป็นปกติอยู่ด้วยดีนี่เรียกว่าฝึกตนนะการฝึกตนมันต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วเรื่อง อย่างนี้นี่มันก็เกิดมาจากจิตถ้าหากข้ามจิตไม่ได้บงัง ค, คับจิตไม่ได้มันก็อดพูดมายาสาไถ่ไม่ได้ละ่ะคนเรานะ่ะเป็นอย่างนั้นดันั้นอะไรมันออกจากจิตจิตเป็นนายกายวาจาเป็นบ่าไพ่ผู้รับใช้จิตกายวาจานี้เนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องเพราะฉะนั้นจึงว่าเราต้องฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณ ตั้งมั่นอยู่ในข้อศินอย่างนี้เลยผู้รักษาศินแปดอย่างนี้อัปมจริยาเนี่ยอไม่ร่วงเกินเลยไม่คิดไม่ไม่คิดไปในทางยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอออันนี้นะเรียกว่ารักษาศินอัปมจจริยานนรักษาสินใจ เมื่อห้ามจิตไม่คิดไปในรูปเป็นต้นแล้วอย่างนี้อันการที่มันจะไปกล่าววาจาหรือไปแสวงหารูปเสียงกินรสไม่มีแล้วไม่มีแล้วเมื่อหากข้ามจิตใจได้แล้วน ะ, ะมันเป็นอย่างนั้ น, เ, นเหมือนเหมือนน่ะอันี้การกล่าววาจาก็เหมือนกันนะถ้าบุคคลมีจิตใจซื่อตรองต่อธรรมต่อคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ว เช่นนีนะ้การพูดการจาในก็ระมัดระวังไม่ให้มันเป็นเรื่องเท็จเรื่องไม่จริงอต้องพูดแต่แต่เรื่องที่มันมีมีเหตุมีผลเพียงพอเรื่องใดพี่น่าเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ไม่พูดเลยพูดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรอืมพูดคําหยาบร้นต่างๆหูนี่ไม่หัดไม่ไม่พูดมันนะ แต่คำหยาบต่งางๆนี้มันจะพูดออกมาได้ก็เพราะมาจากใจอย่างว่านั่นนี่ใจมันโกรธ ม, มันไม่พอใจให้บุคคลให้สัตว์อะไรอย่างรุนแรงแล้วมันก็แสดงออกทางกายทางวาจากายก็ทําท่าจะฆ่าจะตีทางวาจาก็ด่าก็แช่งอะไรไปอย่างนั้นนี่มันออกมาจากจิตดวงเดียวนี้ฉะนั้นถ้าจิตตรงนี้เมื่อ พกข้ามจิตตรงนี้ได้แล้วมันไม่เป็นใดแบบนั้นนะอ่ามันไม่เป็นกายก็อ่อนโยนอ่อนน้อมถ้าใจอ่อนโยนแล้วนะเป็นอย่างนั้นการกล่าววาจาก็เลือกสรรกล่าวทั้งแต่เรื่องจริงเรื่องดีเรื่องมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเรื่องใดมันมีโทษไม่มีประโยชน์และไม่พูดเลยอ่า โบราณท่านจึงกล่าวเป็นคำโครงไว้ว่าโอ้ยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นชาติแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายก็เพราะพูดเนบให้เจ็บใจนักปราชญ์โบราณท่านแต่งเป็นคำกอลอนไว้อย่างนี้นะลองฟังดูนะเนี่ย น้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ยหวานแต่แค่อยู่กับลิ้นเท่านั้นเองเมื่อกลืนลงไปกระเพาะแล้วมันหายหวานแล้วแต่ลมปากนี่หวานหูไม่รู้หายถ้าเราพูดดีแล้วนี่พูดมีเหตุมีผลพูดให้ผู้ฟังนั้นได้ความรู้ความฉลาดในทางผิดทางถูกได้อย่างนี้นะ นั่นผู้ฟังนะก็รู้สึกทราบซึ่งในรถแห่งคําพูดอันนั้นไม่จืดจางเลยดื่มดำอยู่อย่างนั้นนึกถึงเวลาใดก็ดีอ่าอย่างนี้แหละแต่นี้ท่านจึงกล่าวเป็นคำโกงไว้อย่างนี้แหละถ้าพูดเน็บให้เจ็บใจแล้วแหมมันแย่เลยอืมเจ็บใจไม่รู้จักหายเลยอื น, น, นะเจ็บจนตายนั่นก็มีบางคนนะคนภาวนาไม่เป็นเมื่อเจ็บใจใครแล้วก็ผูกใจเจ็บอยู่นั้นละไม่ลงเลยอ่าอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ได้รู้อย่างนี้เราจึงว่าต้องระวังคาพูดคำจาให้ดีอย่าไปพูดเน็บให้คนอื่นเจ็บใจด้วยอำนาจแห่งความไม่พอใจ ถ้าสันานินี่เราต้องละความพอใจแล้วไม่พอใจนี่ทิ้งไปหมดเลยผู้ว่าเพืธรรมปฏิบัติทมทั้งหลายเนี่ยอย่าอย่ายึดถือเอามันไว้ให้พากันเข้าใจนะนี่สำคัญมากนี่นะเราไม่คิดละความพอใจแล้วไม่พอใจนี่แล้ว ไอการมฏิบัติทํา ม, มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นกายวาจากับใจมันเนื่องกันนะเป็นอย่างนั้นแต่มีใจเป็นประธานฉะ น, นั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมาเพ่งจิตนี้หากข้ามจิตอันนี้ให้ได้ออการเพ่งนี่แหละมันเป็นตปะธรรม มันทาไม้ใจนะั้นมีกำลังเข้มแข็งเรานั่งสมาธิคอยเพ่งลมหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตตั้งมัน่นหรือไม่ตั้งมัน่นอย่างนี้นะเราเพ่งความรู้สึกอันนี้เพื่อให้จิตมันส ง, งบให้มันตั้งมัน่นอย่าให้มันอ่อนแ อ, อข้อมุ่งหมายนะ่ะถ้าไม่เพ่งอย่างนี้แล้ว ปล่อยให้มันคิดลอยๆไปตามเรื่องราวต่างๆในโลกแล้วไม่ละใจมันไม่เข้มแข็งได้แล้วมันอ่อนแอไปเรื่อยอใครว่าดีก็ดีไปตามใครว่าชั่วงก็ั่วไปตามใครว่าอะไรไม่ไม่เป็นที่ศพอารมณ์กบเสียใจไม่พอใจอย่างนี้นะใครว่าอะไรแล้ว เป็นที่ศกกับอารมณ์เป็นที่ชอบใจทังตนก็ชอบใจอย่างแรงกล้าอย่างนี้เรียกว่าจิตมันลำเอียงนะมันเอียงไปเอียงมาอยู่นี่มันใช้ไม่ได้มันเป็นอยู่นี่แห่ะคนเรามันจึงเวียนทุกข์มันจึงเบียดเบียนกันมันจึงทำทุกข์ให้แก่กันและกันมันจึงไปทำความชั่วต่างๆนานาเพรใจมันไม่สงบมันไม่เข้มแข็งอย่างว่าเนี่ย บางอย่างก็รู้อยู่ว่ามันเป็นโทษเป็นบาปอย่างนะี้แต่มันทนไม่ไหวเพราะใจมันสู้ตันหาไม่ได้มันก็จำใจต้องทาบาปก็บาปอย่างนี้นะนี่ลักษณะของใจที่อ่อนแอทอาแท้ต่ออำนาจของกิเลสนะเป็นอย่างนั้นถ้าใจฝึกใครมันเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้แล้วอย่างนี้นะ กิเลสมันก็ครอบงนไม่ได้เพราะเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณประพุทธระธรรมะสงฆ์ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลความดีที่ตนกระทำนี่น ะ, ะเราไม่ชอบอย่างอื่นแล้วชอบบุญชอบคุนนี่แนละ้อบุญกุศลนี่อาจรารย์น้าน้อยพ้นทุกอย่างนี้นะเราปักใจลงอย่างนี้ทีเดียวเลย เราทำความพอใจในบุญในคุณนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยัอันนี้มันก็ต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ไม่ได้อ่าฝึกก็ต้องพิจารณาให้รู้ว่าบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทํามานี่ก็ดีคุณพระผู้ประธทานประสงค์ที่เรากราบเราไหวเราเคารพบูชานี่นะเป็นสิ่งที่จะนําเราให้พ้นทุกข์ไปได้จริงๆ พิจารณาให้เห็นชัดโดยตนเองอย่างนี้นะเช่นนี้มันจึงค่อยพอใจฝึ ก, กจิตของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้ถ้าเป็นพิจารณาไม่เห็นอย่างว่านี้แล้วมันก็ใจจืดแใจจางแล้วไม่ค่อยนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ค่อยนึกถึงบุญกุศลที่ตนทํามาแล้วเพราะมันไม่เชื่อนี่มันไม่เชื่อว่าจะนําตนให้พ้นทุกข์ เมื่อมันไม่เชื่อสิ่งนี้แล้วมันก็ไปเชื่อสิ่งอื่นบ้นี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธนี่เราไม่เชื่อบุญเชื่อคุณนี่แล้วไม่ใช่ชาวพุทธซะแล้วให้เตือนตนอย่างนั้นผู้ใดมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งในคุณพระพุทธธรมรมะสง์เชื่อมั่นในบุญในกุศลความดีที่ตนทำจะนำตนให้พ้นทุกข์ ผู้นี้แหละได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธโดยแท้อืมมันเป็นอย่างนั้นเป็นชาวพุทธโดยแท้เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้น่ะเพราะองค์เชื่อบุญกุศลว่าจะทําให้พระองค์ได้จัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเหตุดังนั้นพระองค์จึงได้สร้างวาลมีมาจึงได้ให้ทานมานับไม่้วนเลย จึงได้รักษาศีลหา้าศีลอุโบสถบางชาติก็ได้ออกบวชเป็นพระในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาแต่เนื่องจากว่าพระองค์ได้ปรารถนาเป็นผู้เจ้าแม่จะบวชในพุทธศาสนาก็สําเร็จมรรคผลไม่ได้เพระาะขาดความปรารถนาบวชเพื่อสังสมในคำบา ร, รมีให้แก่กล้า ในคัมภาร์บาลามีนี่ก็สาคัญน่ะเป็นอ่องั้นดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้านี่ถ้าพระองค์ไม่เชื่อบุญเชื่อกุศลอย่างเช่นว่ามานีแล้วก็ไม่มีทางที่ได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วถามตัวเองดูซิว่าเราเชื่อไหมอย่างนี้นะ เราเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาสร้างบุญบุญสนมาจึงได้ตัดสรู้อย่างนี้นะแล้วพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันนะที่เพราะที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตอรหันติสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสตัณหาตามพระ อ, องค์ไปได้ก็เพราะท่านเหล่านั้นก็สร้างบุญบารมีตามพระ อ, องค์มาเช่นนี้ก็จึง สุดท้ายเมื่อบุญวะมีเต็มแล้วก็จึงละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปจากดวงกิจนี้กดับขันเข้าสุภนิพพานไปหมดทุกหมดยากไปนี่เราต้องรู้อย่างนี้ซะก่อนนะต้องได้ความเชื่ออย่างนี้ซะก่อนแล้วมันจึงมีแก่ใจที่จะฝึกตนทรมานตนตามคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ละไม่นะไม่ฝึกตนเลย คนเราเห็นว่าลําบากแล้วนั่งสมาธิอยู่นานก็ลําบากปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บเอวเพราะว่าคนไม่เชื่อนี่จิตใจมันก็มาสงบเรืองมาน่ะถ้าเชื่อแล้วเนี่ยบุญคุณมีอยู่ที่ใจนี่นะใจเราเชื่อมันจึงมีอย่างนี้ก็เพ่งจิตตรงนี้ เข้าให้มั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้อย่างนี้นะบุญคุณก็จึงเกิดมีขึ้นในจิตได้ถ้าไม่เพ่งแล้วไม่ไม่เกิดนะตั้งความเชื่อแล้วก็เพ่งความรู้อันเดียวนี่เนะีอ่อเพ่งจดจ่อให้ความรู้อันนี้เนะี่ยมันหนักแน่นเข้าไปในบุญในคุณนั้นให้ได้อย่างนี้นะ นั่นแหละอาศัยความเพ่งอย่างนี้บุญคุณยังบางเกิดขึ้นบุญคุณยังซึมซาบเข้าสู่จิตใจก็ลองลองพิจารณาดูบารมีที่พระพุทธเจ้าสร้างมาเป็นไงนั่นแหละสุดท้ายนะอุบเบกขาบารมีอย่างนี้นะไม่ดีใจไม่เสียใจในผู้อื่นถึงความมิบัติเนี่ย วางจิตเป็นอุบเบกขาลงได้ข้าพก ร, รมีที่พระองค์สั่งมันจึงเวททางเข้าสู่นิพพานได้อืถ้าไปถือมั่นอยู่คนนั้นเป็นญาติเราคนนี้เป็นผัวเราคนนี้เป็นเมียเราคนนั้นเป็นลูกเราเป็นหลานเราอะไรอยู่เนี่ยไปถือมั่นอย่างนั้นถ้าว่าคนเหล่านั้น ถึงความวิบัติทัดผ้ากาง ก, ก็เสียอกเสียใจถ้าคนเหล่านั้นเข า, เามีชีวิตทีวามีความเป็นอยู่ที่ดีที่งามเข้าไปเอาเกิดความยินดีพอใจกับเขาไปอันมู่นี่แนหะมันได้ชื่อว่าขาดอุเบกขาบรมีขาด ขาดบา ร, รมีข้อนี้แล้วก็ห่างไกลต่อผลิพันธ์อมันเป็นเค่ดน้านเรื่องมา น, นะดังนั้นคอยพากันเข้าใจในไหนเราก็มีศรัทธามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาอย่างนี้อ่บวชเป็นพระเป็นเนนเป็นชีเป็นขาวรักษาสินแปดหรือไม่โกนผมก็ตามนุ่งขาวห่มขาว เข้ามาอยู่ในวัดพ่าอารามอย่างนี้ทุกคนต้องเห็นทุกเห็นภัยในสงสารไม่ใช่หรือที่เข้ามาอยู่ในวัดว่าอารามหรือว่ามีความเดือดร้อนจิตใจมีปัญหาในครอบครัวแล้วก็หนีเข้ามาอยู่ในวัดไว่าเพื่อเพิ่งเพิ่งร่มเงาวัดว่าอารามพอสบายใจแล้วกลับไป หรือมุ้งเทียงแค่นั้นก็มีเหรออ่าอย่างนี้นะให้ดูใจตัวเองต้องคิดเห็นว่าเราต้องคิดว่าเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์หลายเกิดมาชาติใดก็เป็นทุกชาตินั้นแหละเพราะมันแก่ถ้ามันไม่แก่มันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันเจ็บป่วยไข้อ่ ถ้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ใครมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่ยั่งยืนเกิดมาแล้วก็อยากมีอายุยั่งยืนนานไปเป็นหมื่นปีแสนปีอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่ได้สมหวังมันก็เป็นทุกข์นี่นะอันนี้เราพูดความจริงสู่กันฟังความจริงของชีวิตมันมีอย่างนี้จริงๆถ้าใคร ไม่มาเพ่งดูร่างกายสังขารอย่างว่านี่แล้วก็มาเพ่งดูจิตตัวเองว่าถ้าไปยึดถือธาตุสี่ขนันธ์หน้านี้ไว้แล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ตอบตัวเองไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่ค้นทุกข์ไปไม่ได้อืมถ้ามาเพ่งดูจิตตัวเองนะ ว, ว่าเออจิตนี้ถ้าไปยึดถือธาตุสี่ขนันธ์หน้านี่บอกเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วก็ เป็นทุกข์จริงทีเดียววะอย่างนี้แต่มนุษย์เราน่ะมันไม่อยากสู้กับทุกข์เหล่านี้อยากหาทางแก้ทุกข์โดยทางอื่นน่าอยากนั่งภาวนาเพ่งรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงอ้าวมันเหนื่อยนั่งก็ลุกยืนเหนื่อยยืนก็เดิน เหนื่อยเดินก็นอนอมันหิวก็ไปหากินเสียอย่างนี้มันอยากนอนก็ไปนอนถ้ามันเต็มอิ่มมันอยากสนุกสนานก็ไปเสียสแสวงหาหมอ้วสกคบกันต่างๆนั่นนะเพื่อแก้ความทุกเหล่านี้ิงอยู่มันก็ลืมทุกไปชั่วคราวเท่านั้นเอง เมื่อโรคภัยเบียดเบียนขึ้นมาแล้วไม่มีทางไปดูมหมอรสพคบงัินไปเพื่อเพลินต่างๆไม่มีทางมันจะหายได้เวลามันเจ็บเข้ามาแล้วน ะ, ะมันเป็นอย่างั้นมีแต่ที่มันจะไม่ทุกข์กิดทุกใจก็ในเมื่อภาวนาเพ่งดูมันเท่านั้นเน่ยมันเจ็บที่ไหนก็เพ่งรูเท่าที่นั้น สอนตนว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาโล่ง้นความเจ็บไปไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องรู้เท่ารู้เท่าทุกนั้นทุกนั้นเป็นเรื่องของขันห้าขันห้านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเมื่อขันหน้าไม่ใช่เราทุ ก, ก็ไม่ใช่ของเราแต่ก่อนในจิตไม่รู้เท่าอย่างนี้จิตไม่สู้ พอความทุกข์เกิดขึ้นมาก็วันไว้ไปเลยดิ้นรนไปเลยอย่างนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีบัดนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราสู้ให้แล้วอดทนอดกั้นแต่ความทุกข์แล้วพิจารณาความทุกข์นั้นมันเกิดจากขันห้าเพราะขันห้ามันไม่เที่ยงเมื่อขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วทุกข์มันก็ไม่ใช่ของเราก็ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้ แล้วจิตมันก็รู้เท่าทุกข์แหละรู้เท่าทุกข์กับรู้เท่าขันห้าอะไรแนี้น ะ, ะเมื่อมันรู้เท่าทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์จิตนะั่นเองมันก็ไม่ดิ้นรนะแม่ถูกสังขาร น, นามรูปกระทบกระทั่งอยู่ในมันก็ไม่วันไหวมันก็มีสติควบคุมจิตยอยู่ได้มีปัญญารู้เท่าตามเป็นจริงได้เช่นนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะ พระพุทธองค์ทรงสอนความมุ่งหมายเพื่อให้รู้เท่าทุกที่มันเกิดขึ้นในสังขาร น, นามรูปอันนี้แล้วละเหตุแห่งทุกคือตัณหาตัณหาอยากให้มันหายโรคไายภัยไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันตายตัณหาอยากให้มีอายุยั่งยืนนานอยากให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อยากมีเงินมีทองอะไรเท่าไรมาเนี่ยละตัณหาความอยากเหล่านี้ออกเสียอย่างนี้มันจะเจ็บก็เจ็บไปไม่ใช่เราเจ็บอย่างเงี้ยมันจะตายก็ตายไม่ใช่เราตายเราไม่ได้มีในขันห้าขันห้าไม่ได้มีในเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้โดยมีสมาธิเป็นที่ตั้งแต่ต้อง ใจต้องตั้งมั่นก่อนนะมันจึงพิจารณาได้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วพิจารณาไม่ได้เลยนี่แต่เพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจเอาที่แนะนำมานี้กันนะว่าพอสมควรเก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้